สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีลพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่9ของกฎทองคํา20ข้อข้อที่11นะครับกฎของการอะไรที่ต้องมาก่อนและอะไรมาทีหลังในเช้าวันนี้ครับประเด็นที่9หรือข้อที่9ก็คือเราต้องรับการชาระให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงจะถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พี่น้องครับใน พ, นพระเจ้านะครับ2ทิโมธีบทที่2 2ทิโมธีบทที่2ข้อที่21นะครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงนันได้เขียนไว้ประเด็นที่สำคัญในข้อ21แต่ผมจะขออนุญาตพี่น้องที่จะอ่านตั้งแต่ข้อ20จนถึงข้อที่26นะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ20จนถึงข้อที่26โปรโดฟังพระวจนะของพระเจ้า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 ให้บริสุทธิ์ให้ตัวของเรานั้นและชีวิตของเรานั้นพ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าครับและเมื่อเรารับการชำระตัวให้พ้นจากสิ่งที่ไม่มีค่าซึ่งหมายถึงในข้อที่ยีต่อไปว่าราคะตันหาของคนหนุ่มนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงเสียและในขณะเดียวกันครับเราจะต้องมีใจโอนเอียงหรือเอ็นเอียงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อความรักและในสันติสุข ร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจริงใจด้วยใจที่บริสุทธิ์พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับคำว่าใจบริสุทธิ์อยู่สองครั้งด้วยกันในข้อ2 1และข้อที่22ใจบริสุทธิ์นั้นทำให้เราพร้อมแต่เราต้องมีใจบริสุทธิ์ก่อนครับพร้อมที่เจ้าของเรือนก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะใช้ชีวิตของเราจะใช้งานเราจะใช้เราไปในทาการดีทุกอย่างได้ และด้วยเหตุนี้เองครับข้อ23อาคาตูเปาโลได้บอกว่าอย่าข้องแวะกับปัญหาอันโง่เขาและไม่เป็นสาระเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ก็ให้เกิดทะเลาะวิวาทกันพี่น้องครับปัญหาหลายหลายอย่างครับส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เวลาที่เราทะเลาะวิวาทกันเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้ น, น, นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรครับมันเป็นการขัดความคิดเห็นกัน ความแย้งกันการโต้แย้งกันหรือไม่งั้นก็เป็นการขัดผลประโยชน์กันและเราก็ทะเลาะวิวาทกันเราก็ฆ่ากันหลายครั้งทีเดียวครับพี่น้องเราซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราทุกคนไม่ใช่รวมแค่ผู้รับใช้เต็มเวลานะครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราทุกคนเป็นสาวกขององค์พระพุทธเจ้าเราต้องไม่ทะเลาะกันครับและเราต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะกัน แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนมีความรักต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมก็คือเป็นครูที่เราจะต้องสอนคนอื่นสร้างคนอื่นและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามทราบเข้าใจด้วยความสุภาพและหวังว่าพระเจ้าจะโปรดให้เขากลับใจและมาถึงความจริงพี่น้องครับหลายลครั้งคู่กรณีของเรานั้นอาจจะไม่กลับใจ หรื อ, อยังไม่มาถึงความจริงแต่เราต้องแสดงความสุภาพเราอย่าแสดงความรุนแรงโกรธเกรี้ยวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั่นคือบ่วงแล้วของมานบ่วงแล้วของมานนั้นจะทำให้เรานั้นได้ตกลงไปในกับดักของมันครับและทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่เติบโตทำให้ชีวิตของคนอื่นก็ไม่เติบโตเพราะเราจมอยู่ในความโกรธแค้น จมอยู่ในความขัดเคืองใจจมอยู่ในปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระและทําให้เราทะเลาะวิวาทกันพี่น้องครับเราจะต้องชาระตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ครับการรับใช้ของเราจึงจะมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือ20กฎทองคำท่านศาสนาจารยร์ฟิลิปเทงนั้นเขียนอย่างนี้ครับว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก จะต้องถูกชำระให้สะอาดก่อนครับเป็นคำที่หนุนใจให้กำลังใจคริสเตียนและให้ direction ก็คือทิศทางการที่เราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นจาเป็นอย่างยิ่งครับการที่เราจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์จาเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วพระเจ้าก็จะเติมเต็มเติมเต็มนะครับเติมเต็มอะไรครับเติมเต็มด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับถ้า ภาชนะไม่สะอาดพระเจ้าก็ไม่สามารถเติมเต็มได้ผู้ที่ไม่ได้รับการชำระการที่พระเจ้าจะเติมเต็มเข้าก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับความเป็นธรรมชาติบาปของมนุษย์จะปรากฏชัดและไม่สามารถรับการเติมเต็มจากพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ได้พี่นรณาครับจากตรงนี้ผมขออนุ ญ, ญาตขยายความนะครับว่าการที่เราเองนั้นจะต้องสารภาพบาป การที่เราเองนั้นจะต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์เราจึงจะได้รับการเปี่ยมล้นได้รับการเจมิมได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องครับเราจะเห็นตัวอย่างของกรรษัตย์ซาอูลนะครับในพระธรรมหนึ่งซาอูเอลบทที่19ข้อที่20เป็นต้นไปเราเห็นได้ว่าเมื่อซาอูนนั้นได้รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปจับดาวิดแต่เมื่อเขาไป เห็นหมู่ผู้เผยพระชนะกำลังเผยพระชนะอยู่ซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าเขาทั้งหลายพระวิญ ญ, ญาณของพระเจ้าก็มาสถิตยอยู่กับผู้สื่อสารของซาอูลและเขาทั้งหลายก็เผยพระชนะด้วยในข้อยีเอดต่อไปนะครับเมื่อมีคนไปทูลซาอูลพระองค์ก็ทรงใช้ผู้สื่อสารอื่นไปและคนเหล่านั้นก็เผยพระชนะด้วยซาอูลทรงใช้ให้ผู้สื่อสารไปครั้งที่สมเขาทั้งหลายก็เผยพรชนะด้วย ซาอูลก็เสด็จไปที่รามาเองมาถึงบ่อน้ำใหญ่ที่เมืองเสขูและรับสั่งถามว่าซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหนมีคนทูลว่าดูเถิดเขาทั้งสองอยู่ที่นายอในเมืองรามาพระองค์จึงเสด็จไปที่นั่นไปยังนายอในเมืองรามาและพระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ด้วยทรงดำเนินพลางเผยพชนะพลางจน สเสด็จถึงนายอที่เมืองรามาพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกและก็ทรงเผยพระชนะด้วยต่อหน้าซาอุเอลและบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดคืนนั้นและตลอดวันนั้นเขาจึงพูดกันว่าซาอุนอยู่ในจำพวกผู้เผยพจนะด้วยหรือพี่น้องครับพระกัมพีตอนนี้ถ้าอ่านเผลอเราก็จะรู้สึกว่าซาอุนนั้นได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามารถที่จะเผยพระชนะได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเพื่อพียืนยันชัดเจนครับว่าซาอูล น, นั้นได้กบฏต่อพระเจ้าแล้วและยังส่งลูกน้องไปตามฆ่าดาวิดด้วยเมื่อซาอูลกบฏต่อพระเจ้าจากนั้นได้รับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการเผยโภชนะของซาอูลนั้นเป็นการเผยถึงความไม่สะอาดของตัวเอง เป็นการเผยถึงความอับอายของตัวเองเพราะว่าความอับอายนั้นเกิดจากการที่ซาอูนั้นเปลือยกายหรือถอดฉลองพระองค์อยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่คือการปรากฏตัวเป็นการที่ทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในความอับอายครับนั่นไม่ใช่เป็นการเติมเต็มของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์แต่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นได้เปิดเผยเปิดเผยความบาปของเขาความวิปริตของเขาความน่าอับอายของเขาออกมาพี่น้องครับ ในข้อยีสีนะครับจึงเป็นสิ่งที่พูดกันว่าซาอูนั้นอยู่ในจําพวกผู้เผยพระชนะด้วยหรือคําตอบคือไม่ใช่ครับแต่การที่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตอยู่กับซาอูนั้นซาอูนั้นเดิมทีถูกครอบงําด้วยความอิจฉาที่ดาวิดมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆพระวิญญาณของพระเจ้าหยุดซาอูลไว้ครับทําให้เขาทําร้ายดาวิดไม่ได้ พี่น้องครับเขาไม่ได้เข้าใจความคิดของพระเจ้าเลยครับแต่ในขณะที่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับเขานั้นทำให้เขาหยุดทาสิ่งที่ชั่วร้ายได้และในเวลาเดียวกันครับพระวิ ญ, ญญาณก็เปิดเผยความน่าอับอายของเขาในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยที่ว่าเขานั้นได้เปลือยกายอยู่ต่อหน้าสามูเอลนั่นคือสิ่งที่น่าขายหน้าน่าอับอายมากนะครับ พี่น้องครับเราจําเป็นต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์รับการชำระที่บริสุทธิ์ก่อนแล้วพระวิญญาณก็จะสามารถใช้ภาชนะที่บริสุทธิ์นี้คือชีวิตของเรานั้นในการรับใช้พระเจ้าในการทํางานของพระองค์ในการที่เราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่เราจะใช้ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเราจําเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์รับการชำระให้บริสุทธิ์มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วจึงค่อยใช้ของพระนานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พ่อนครับนั่นคือกฎก่อนและหลังครับขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคนในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลอาเมน